มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคตไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วผู้เห็นวิเวกในภัจจะทั้งหลายย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลายว่าด้วยผู้ไม่มีตัณหาคำว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคตอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าเครื่องเหนี่ยวรัง้งคือความกาหนัด ความกำหนัดนักอภิชาอากุสลมูลคือโลภะตัณหาเครื่องเหนียวรังนั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนียวรังในอนาคตอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลไม่ดำเนินตามความเพลิดเพลินในรูปว่า ในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้พึงมีเวทนาอย่างนี้พึงมีสัญญาอย่างนี้พึงมีสังขารอย่างนี้ย่อมไม่ดำเนินตามความเพลิดเพลินในวิญญาณว่าในอนาคตการเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้จึงชื่อว่าผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรังในอนาคตอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้ตาและรูปที่ยังไม่ได้ว่า ในอนาคตการเราพึงมีตาเช่นนี้เห็นรูปเช่นนี้เพราะมีการไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเครื่องเหนียวรั้งในอนาคตอย่างนี้บ้างในอนาคตการขอเราพึงมีหูเช่นนี้ได้ยินเสียงเช่นนี้บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้ใจและธรรมารมณ์ที่ยังไม่ได้ว่า ในอนาคตการเราเพึงมีใจเช่นนี้รู้ธรรมารมเช่นนี้เพราะไม่มีความตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงไม่เพลิดเพลินใจและธรรมมรมนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินใจและธรรมมรมนั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคตอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้พบที่ยังไม่ได้ว่าเราจากเป็นเทพหรือเทวดาตนใดตนหนึ่ง ด้วยศีลวัดตะบะหรือพรหมจาร์ น, นี้เพราะมีการไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงไม่เพลิดเพลินพบนั้นเมื่อไม่เพลิอเพลินพบนั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคตอย่างนี้บ้างว่าด้วยผู้ไม่เจ้าโศกคำว่าไม่เจ้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอธิบายว่าไม่เจ้าโศกถึงสิ่งที่แปรผันไป หรือเมื่อสิ่งนั้นแปรผันไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกคือไม่เศร้าโศกไม่ลําบากไม่คร่ําครวนไม่ตีอกพร่เพอไม่ถึงความหลงไหลว่าตาของเราแปรผันไปไม่เศร้าโศกไม่ลําบากไม่คร่ําครวนไม่ตีอกพร่ําเพอไม่ถึงความหลงไหลว่าหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเรารูปของเราเสียงของเรา กลิ่นของเรารสของเราโหตภะของเราตระกูลของเราจีวรของเราหมู่คณะของเราอาวาตของเราลาบของเรายศของเราสรรเสริญของเราสุขของเราวินทบาทของเราเสนาชนะของเราทีฬานปัจจัยเพสัจบริขารของเรามารดาของเราบิดาของเราพี่ชายน้องชายของเรา พี่สาวน้องสาวของเราบุตรของเราทิดาของเรามิตรและอมตะของเราญาติของเราผู้ร่วมสายโลหิตของเราแปรผันไปดังนี้รวมความว่าไม่เจ้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วว่าด้วยผาษะคำว่าผู้เห็นวิเวกในภาษะทั้งหลายอธิบายว่าคำว่าผัษะได้แก่จักขุสัมผัสโสตะสัมผัส คานสัมผัสช monks, monks, genres, ους, ิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสอธิวัจนะสัมผัสปติฆะสัมผัสสุขเวทนิยสัมผัสทุกเวทนิยสัมผัสอทุกขมสุขเวทนิยสัมผัสภาษะที่เป็นกุศลภาษะที่เป็นอกุศลภาษะที่เป็นอภยากฤตศภาษะที่เป็นกามาวจรภาษะที่เป็นรูปาวจร ภาษะที่เป็นอโรปาวจรสุเนตะาภาษะอนิมิตตาภาษะอปนิหิตตาภาษาภาษะที่เป็นโลคิยะภาษะที่เป็นโลกุตระภาษาที่เป็นอดีตภาษาที่เป็นอนาคตภาษาที่เป็นปัจจุบันภาษะความถูกต้องกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าภาษะ คำว่าผู้เห็นวิเวกในภาษาทั้งหลายอธิบายว่าบุคคลเห็นจกักขุสัมผัสว่าว่างจากตนจากธรรมที่เนื่องในตนจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความสืบต่อหรือจากธรรมที่ไม่แปรผันเห็นโสตสัมผัสขานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสอธิวัจนะสัมผัสปฏิฆะสัมผัส สุขเวทนิยสัมผัสทุกขเวทนิยสัมผัสอทุกขมสุขเวทนิยสัมผัสภาษะที่เป็นกุศลภาษะที่เป็นอกุศลภาษาที่เป็นอพัพยกฤิศภาษะที่เป็นการมาวจรภาษะที่เป็นรูปาวจารภาษะที่เป็นอรูปาวจารภาษาที่เป็นโลคิยะภาษะที่เป็นโล ก, กุตระว่าว่างจากตนจากธรรมที่เนื่องในตนจากความเที่ยง จากความยั่งยืนจากความสืบต่อหรือจากธรรมที่ไม่แปรผันอีกในหนึ่งบุคคลเห็นภาษาที่เป็นอดีตว่าว่างจากภาษาที่เป็นอนาคตและภาษะที่เป็นปัจจุบันเห็นภาษาที่เป็นอนาคตว่าว่างจากภาษาที่เป็นอดีตและภาษะที่เป็นปัจจุบันเห็นภาษะที่เป็นปัจจุบันว่าว่างจากภาษาที่เป็นอดีตและภาษาที่เป็นอนาคตอีกในหนึ่ง บุคคลเห็นผัสสะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโล ก, กุตระปฏิสังยุตด้วยสุญญตาธรรมว่าว่างจากราคะโทสะโมหะโกทะอุปนาหะมักขะปราสะอิสามะชริยะมายาสาเถยะธรรมภะสารรมภะมานะอติมานะมะทะปมาท ะ, ะ, าทะกิเลทุกชนิด ทุจริตทุกทางความโกรธกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิสังขารทุกประเภทด้วยประการอย่างนี้รวมความว่าผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายคําว่าย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลายอธิบายว่าทิฏฐิ62บุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้ว ระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยานแล้วบุคคลนั้นย่อมไม่ไปไม่ออกไม่ถูกพาไปไม่ถูกนําไปด้วยทิฏฐิบุคคลนั้นจึงไม่กลับถือไม่หวนกลับมาสู่ทิฏฐินั้นว่าเป็นสาระอีกรวมความว่าย่อมไม่ถูกนําไปในทิฏฐิทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า บุคคลผู้ไม่มีตันหาเครื่องเหนียวรั้งในอนาคตไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วผู้เห็นวิเวกในภาษาทั้งหลายย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลายแปดสิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลเป็นผู้หลีกเร้นไม่หลอกลวงไม่เทยาทยานไม่ตรณีไม่ขนองไม่เป็นที่น่ารังเกียจและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดว่าด้วยผู้หลีกเร้นคำว่าบุคคลเป็นผู้หลีกเร้นในคำว่าบุคคลเป็นผู้หลีกเร้นไม่หลอกลวงอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้หลีกเร้นเพราะละราคาได้แล้ว เพราะละโทสะได้แล้วเพราะละโมหะได้แล้วเพราะละโกทะอุปนาหะมะักคะปลาสะอิสามัชชริยะชื่อว่าเป็นผู้หลีกเร้นเพราะละอกุชลาภิสังขารทุกประเภทได้แล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้หลีกเร้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ความหลอกลวงสามอย่างคือหนึ่งความหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยสความหลอกลวงเกี่ยวกับอุรยาบท 3. ความหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเรียบเคียง 4. ความหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยเป็นอย่างไรเพื่อข้าพบดีในโลกนี้ย่อมนิมนต์ภิกษุถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะและขิลานปัจจัยเพสัต์ปรคาร ภิกษุนั้นมีความปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำมีความต้องการจีวรบินฑบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพตบ ร, ริขารเพราะต้องการได้ให้มากยิ่งขึ้นจึงบอกคคืนจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศบ ร, ริขารเธอพูดอย่างนี้ว่าจีวรที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณนะสมณนะ ควรเที่ยวเลือกเก็บผ้าเก่าจากป่าช้ากองอยากเยื่อหรือร้านตลาดเอามาทําสังคายติใช้จึงจะเป็นการเหมาะสมวินทบ่า ท, ที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณะสมณะควรสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ได้มาด้วยปลีแห้งโดยการเที่ยวสแสวงหาจึงจะเป็นการเหมาะสมเสนาสนะที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณะ สมณะควรอยู่ที่โคนไม้อยู่ที่ป่าช้าหรืออยู่กลางแจ้งจึงจะเป็นการเหมาะสมกีลานปัจจัยเพศประยุขารที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณะสมณะควรทำยาด้วยน้ำมูดเน่าหรือชิ้นลูกสมอจึงจะเป็นการเหมาะสมเพราะต้องการให้ได้มากยิ่งขึ้นนั้นเธอจึงครองจีวรเศร้ามองฉันบินธบาเศร้ามองใช้สอยเสยนาสนะซอมซ่อ ใช้กีฬาณปัจจัยเพศบริคารตามมีตามได้พระหปดีทั้งหลายรู้จักพิกษุน์นั้นอย่างนี้ว่าสมณรูปนี้มีความปรารถนาน้อยสันโดษสงบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารบความเพียนมีวาทะกําจัดขัดเกลาก็ยิ่งนิมนเธอให้รับจีวอนบินทบาทเสนาสนะและกีฬาณปั จ, จัยเพศบริคารมากยิ่งขึ้นเธอจึงพูดอย่างนี้ว่า เพราะพร่งพร้อมด้วยเหตุสามประการบรุรบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมากเผอเพราะพร่งพร้อมด้วยศรัทธาเพราะพร่งพร้อมด้วยทายาธรรมเพราะพร่งพร้อมด้วยพระทักินายบุคคลบรุรบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมากท่านทั้งหลายมีศรัทธานี้อยู่ทายาธรรมนี้ก็มีอยู่พร้อมทั้งอัตมภาพก็เป็นปฏิฆาหกถ้าอัตมภาพไม่รับพวกท่านก็จะเสื่อมจากบุญไปเสีย อัตมภาพนม่ได้มีความต้องการด้วยปัจจัยนี้แต่จักรับเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านเพราะอาศัยเหตุนั้นเธอจึงรับจีวรมากมายรับบินทบาทมากมายรับเสนาสนะมากมายรับขีลานปัจจัยเพศบริคารมากมายการทำหน้านิ้วการทำคิ้วขมวดการหลอกลวงกลุ่ยาที่หลอกลวงภาวะที่หลอกลวงเห็นปานนี้นี้ชื่อว่า ความหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจใจความหลอกลวงเกี่ยวกับอิริยาบถเป็นอย่างไรคือพิสษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีความปรารถนาเลวซามทูกความอยากครอบงำปรารถนาจะให้เขายกย่องคิดว่าคนจักยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้จึงสำรวมการเดินสำรวมการยืนสำรวมการนั่งสำรวมการนอนตั้งสติเดิน ตั้งสติยืนตั้งสตินั่งตั้งสตินอนทำทีเหมือนภิกษุมีสมาธิเดินเหมือนพิกษุมีสมาธิยืนเหมือนภิกษุมีสมาธินั่งเหมือนภิกษุมีสมาธินอนเป็นเหมือนพิกษุเจริญฌานอวดต่อหน้าการตั้งท่าการวางท่าการดารงมั่นอิริยบทการทำหน้านิ้วการทำคิ้วขมวดการหลอกลวงกริยาที่หลอกลวง ภาวะที่หลอกลวงเห็นป่า น, นี้นี้เรียกว่าความหลอกลวงเกี่ยวกับอียิบบทความหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเลียบเคียงเป็นอย่างไรคือภิสุบางรูปในธรรมวิในนี้มีความปรารถนาเลวซามถูกความอยากครอบงำปรารถนาจะให้เขายกย่องคิดว่าคนจักยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้ จึงกล่าววาจาอิงอริยธรรมเพื่อพูดว่าภิกษุผู้ทรงจีวรมีรูปแบบอย่างนี้เป็นสมณะมีศักย์ใหญ่ผู้ใช้บาตรใช้ภาชนะโลหะใช้ธรรมะกรกใช้ผ้ากรองน้ําใช้ลูกกุญแจใช้รองเท้าใช้ประคตเอวใช้สายโยกบาตรมีรูปแบบอย่างนี้เป็นสมณะมีศักย์ใหญ่พูดว่าภิกษุผู้มีอุปชาระดับนี้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 อยู่ในเรือนโลนอยู่ในถ้ำอยู่ในที่หลีกเร้นอยู่ในคูดีอยู่ในเรือนยอดอยู่ที่ป้อมอยู่ที่โรงกลมอยู่ในเรือนพักอยู่ในเรือนรับรองอยู่ในมณดบอยู่ที่โคนไม้มีรูปแบบอย่างนี้เป็นสมณะมีจักใหญ่อีกในหนึ่งภิกษุเป็นผู้วางหน้าเฉยเมยทำหน้านิ่วคิ้วขมดโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนตลกตะแง เป็นผู้ได้รับยกย่องด้วยการวางหน้าว่าสมณะนี้ได้วิหารจะมาบัตดอันมีอยู่เห็นปา น, นี้ภิกษุนั้นย่อมกล่าวถ้อยคําเช่นนั้นอันเกี่ยวเนื่องด้วยโลกุตระธรรมและสุญญะนิพพานอันลึกซึง้งเร้นลับละเอียดอ่อนปิดบังการทําหน้านิ่วการทําคิ้วขมวดการหลอกลวงคิริยาที่หลอกลวงภาวะที่หลอกลวงเห็นป่า น, นี้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 ผู้นั้นตรักเรียกว่าผู้ไม่ทะเยอทะยานผู้นั้นไม่มุ่งหมายไม่ต้องการได้ไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่มุ่งหวังรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะระระกูลหมูคนะ่คณะอาวาดลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินทบาตเสนาชนะคีลานปัจจัยเพศัตบริขารกามทธาตุรูปธาตุอรูปธาตุ กามภพรูปประพบอรูปประพสัญญาพบอาสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพบเอกโวการะพบจตูววการะพปันจวโวการพะารพอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มุ่งหมายไม่ต้องการได้ไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่มุ่งหวังรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้และธรรมอารมณ์ที่เพึงรู้แจ้ง รวมความว่าผู้ไม่เถเยทยานว่าด้วยความตรนีห้าอย่างคําว่าไม่ตรนีได้แก่มัจฉริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสมัจฉริยะ 2. กงปุรมัจฉริยะ 3. ลาภมัจฉริยะสวัณณมัจฉริยะหธรรมมัจฉริยะความตรนีกริยาที่ตรนี ภาวะที่ตรณีความเห็นแก่ได้ความถีเหนียวความที่จิตเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตหวงแหนเห็นปานนี้นิตรัสเรียกว่าความตรณีอีกในหนึ่งความตรณีขันก็ดีความตรณีธาตุก็ดีความตรณีอายตนะก็ดีความมุ่งแต่จะได้ก็ดีน้ตรัสเรียกว่าความตรณีความตรณีนี้บุคคลใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วบุคคลนั้นตรัดเรียกว่าผู้ไม่ตรณีรวมความว่าไม่ทะเยอทยานไม่ตรณีว่าด้วยความขนองสามอย่างคำว่าไม่ขนองไม่เป็นที่น่ารังเกียจอธิบายว่าคำว่าความขนองได้แก่ ความขนองสามอย่างคือ 1. ความขนองทางกาย 2. ความขนองทางวาจา 3. ความขนองทางใจความขนองทางกายเป็นอย่างไรคือพิสษบบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในหมู่สงเพื่แสดงความขนองทางกายอยู่ในหมู่คณะอยู่ในศาลาโรงชันอยู่ในเรือนไฟอยู่ที่ท่าน้ำกําลังเข้าสู่ละแวก บ, บ้านเข้าสู่ละแวก บ, บ้านแล้ว ก็แสดงความขนองทางกายพิษุอยู่ในหมู่สง์แสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรเพื่อพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในหมู่สงก็ไม่ทำความยาเกรงยืนเบียดเสียดภิษุเทระบ้างนั่งเบียดเสียดบ้างยืนบางหน้าบ้างนั่งบางหน้าบ้างนั่งบนอาชนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะบ้างยืนพูดบ้างแกว่งแขนพูดบ้าง พิษุอยู่ในหมู่สงส์แสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้พิกษุอยู่ในหมู่คณะแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรคือพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในหมู่คณะก็ไม่ทําความยําเกรงเมื่อพิกษุเถระไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมอยู่ก็สวมรองเท้าเดินจงกรมเมื่อพิกษุเถระเดินจงกรมบนลานจงกรมต่ํา ก็เดินจงกรมบนลานจงกรมสูงเมื่อภิกษุเทระเดินจงกรมบนพื้นดินก็เดินจงกรมบนลานจงกรมยืนเบียดเสียดบ้างนั่งเบียเสียดบ้างยืนบางหน้าบ้างนั่งบางหน้าบ้างนั่งบนอาสนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะบ้างยืนพูดบ้างแกว่งแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในหมู่คณะแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ ภิกษุอยู่ในศาลาโรงฉันแสดงความคณองทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในศาลารงฉันก็ไม่ทําความยําเกรงนั่งแทะภิกษุเทระบ้างนั่งจีกฟันอาสนะภิกษุนวะกะบ้างยืนเบียดเสศบ้างนั่งเบียเสียศบ้างยืนบางหน้าบ้างนั่งบางหน้าบ้างนั่งบนอาสนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้างแกวงแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในศาลาโรงฉันแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ภิกษุอยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในเรือนไฟไม่ทำความยำเกรงยืนเบียดเสียดภิกษุเทระบ้างนั่งเบียเสียดบ้างยืนบางหน้าบ้างนั่งบางหน้าบ้าง นั่งบนอาสนะสูงบ้างไม่บอกก่อนแล้วใส่ฟืนบ้างไม่บอกก่อนแล้วปิดประตูบ้างแวงแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ภิกษุอยู่ที่ท่า น, น้ำแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรคือพิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้อยู่ที่ท่า น, น้ำไม่ทำความยำเกรงลงเบียดเสียภิกษุเทระบ้าง ลงข้างหน้าบ้างอาบเบียดเสียดบ้างอาบข้างหน้าบ้างอาบเหนือน้ําบ้างขึ้นเบียเสียดบ้างขึ้นข้างหน้าบ้างขึ้นเหนือน้ําบ้างภิกษุอยู่ที่ท่าน้ําแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ภิกษุกําลังเข้าสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรเมื่อพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กําลังเข้าสู่ละแวกบ้าน ไม่ทำความยำเกรงเดินเบียดเสียดภิษุเทระบ้างเดินข้างหน้าบ้างเดินแซงขึ้นหน้าพิกษุเทระบ้างภิกษุกำลังเข้าสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างไรคือพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าสู่ละแวกบ้านแล้วเมื่อเขาบอกว่า ขออย่าเข้าไปครับท่านก็ยังเข้าไปเมื่อเขาบอกว่าอย่ายืนครับท่านก็ยังยืนขึ Bernard ้นเมื่อเขาบอกว่าขออย่านั่งครับท่านก็ยังนั่งลงเข้าไปสู่ที่เป็นโอกาสไม่สมควรบ้างยืนในที่เป็นโอกาสไม่สมควรบ้างนั่งในที่เป็นโอกาสไม่สมควรบ้างผุนผันเข้าไปในห้องเล็กที่ซ่อนเร้นปกปิดของตระกูลบ้างในห้องที่กุลสตรี คุลธิดาสะพายของตระกูลกุ ม, มารีของตระกูลนั่งอยู่บ้างรูปศิษะเด็กเล่นบ้างภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางกายเป็นอย่างนี้นี้ชื่อว่าความขนองทางกายความขนองทางวาจาเป็นอย่างไรเพื่อพิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้อยู่ในหมู่สงแสดงความขนองทางวาจาบ้างอยู่ในหมู่คณะ แสดงความขนองทางวาจาบ้างเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางวาจาบ้างภิกสุอยู่ในหมู่สง์แสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิสุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้อยู่ในหมู่สงไม่ทำความยำเกรงไม่เรียนแจ้งพิกสุเทระหรือไม่ได้รับอาราธนาก็แสดงธรรมวิสัชนาปัญหาสวดปฏิโมกแก่ภิกสุที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้างแกวงแขนพูดบ้างภิกสุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความคนองทางวาจาเป็นอย่างนี้ภิกสุอยู่ในหมู่คณะแสดงความคนองทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกสุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในหมู่คณะไม่ทำความยาเกรงไม่เรียนแจ้งพิสุทธระหรือไม่ได้รับอาราธนาก็แสดงธรรม วิจัชนาปัญหาแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในอารามยืนพูดบ้างแกวงแขนพูดบ้างแสดงธรรมวิจัชนาปัญหาแก่ภิกษุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในอารามยืนพูดบ้างแกวงแขนพูดบ้างภิกษุอยู่ในหมู่คณนะแสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างนี้ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างไร คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าสู่ละแวกบ้านแล้วพูดกับสตรีหรือเด็กหญิงอย่างนี้ว่าแม่หนูชื่อนี้นามสกุล น, นี้มีอะไรบ้างละ่ะข็าต้มมีไหมข้าสวยมีไหมของขบเคี้ยวมีบ้างไหมพวกอาตมาจาักดื่มอะไรจกักฉันอะไรจักเคี้ยวอะไรมีอะไรบ้างหรือพวกเธอจักถวายอะไรแกอาตมาบ้างละ่ะพูดพร่ำเพ้อไป การพูดพร่ำการพูดเพอการพูดเพอเจรการพูดพร่ำเพอกิริยา<ว>ที่พูดพร่ำเพอภาวะที่พูดพร่ำเพอเห็นปานนี้ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางวาจาเป็นอย่างนี้นี้ชื่อว่าความขนองทางวาจาความขนองทางใจเป็นอย่างไรเพื่อภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มิใช่ออกบวชจากตระกูลสูงก็มีจิตวางตัวเช่นเดียวกับภิกษุผู้ออกบวชจากตระกูลสูงมิใช่ออกบวชจากตระกูลใหญ่ก็มีจิตวางตัวเช่นเดียวกับภิกษุผู้ออกบวชจากตระกูลใหญ่มิใช่ออกบวชจากตระกูลที่มีโภอสมบัติมากมิใช่ออกบวชจากตระกูลที่มีโภอสมบัติยิ่งใหญ่มิใช่เป็นผู้ทรงจำพระสูตรมิใช่เป็นผู้ทรงจำพระวินัยมิใช่เป็นพระธรรมกถระ มิใช่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดมิใช่เป็นผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดมิใช่เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดมิใช่เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดมิใช่เป็นผู้เที่ยวบินธบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดมิใช่เป็นผู้งดอาหารมื้อหลังเป็นวัดมิใช่เป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดมิใช่เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัด มีใช่เป็นผู้ได้ปฐมฌานก็มีจิตวางตัวเช่นเดียวกับภิกษุผู้ได้ปฐมฌานมี้ใช่เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญาญตนาสมาบัติก็มีจิตวางตัวเช่นเดียวกับภิกษุผู้ได้เนวสัญญานาสัญญาญตนาสมาบัตินี้ชื่อว่าความขนองทางใจความขนองสามอย่างนี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาเด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตราดเรียกว่าผู้ไม่ขนองรวมความว่าผู้ไม่ขนองว่าด้วยผู้น่ารังเกียจและไม่น่ารังเกียดคำว่าไม่เป็นที่น่ารังเกียจได้แก่บุคคลผู้น่ารังเกียกก็มีบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียกก็มีบุคคลผู้น่ารังเกียดเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลถือความชั่วเป็นเรื่องธรรมดามีความประพฤติไม่สะอาดที่นึกถึงได้ด้วยความน่ารังเกียจมีการงานที่ปกปิดไม่ได้เป็นสมณนะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าภายในมีใจชุ่มโชคด้วยความกำนัดเป็นดุจขยะน้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้น่ารังเกียจ อีกนายหนึ่งเขาเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นเคืองถูกใครว่าหน่อยก็ขัดใจโกรธเครืองพยาบาทมุ่งร้ายทำความโกรธความแค้นเคืองและความไม่ยินดีให้ปรากฏเสมอนิตรัสเรียกว่าบุคคลผู้น่ารังเกียจอีกนายหนึ่งเขาเป็นคนมักโกรธผู้โกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวด หลอกลวงกระด้างถือตัวมีความอยากที่เลวทรามมีความเห็นผิดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ถือรั้นเปลี่ยนความคิดเห็นยากนี้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้น่ารังเกียจบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร มองเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนิตรัสเรียกว่าบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจอีกนหนึ่งเธอเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืงแม้ถูกใครว่ากล่าวมากมายก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มุ่งร้ายไม่ทำความโกรธความแค้นเคืงและความไม่ยินดีให้ปรากฏน้ตรัสเรียกว่า บุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจอีกนายหนึ่งเธอเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผู้โกรธไม่ลบหลูไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรนีไม่โอ้อวดไม่หลอกลวงไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัวไม่มีความอยากที่เลวซามไม่มีความเห็นผิดไม่ถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นเปลี่ยนความคิดเห็นง่ายนี้ตรัสเรียกว่า บุคคลผู้ไม่น่ารังเกยียจพระอริยะบุคคลทุกประเภทรวมทั้งกัลยาณปุทุชนเป็นบุคคลผู้ไม่น่ารังเกยียจรวมความว่าผู้ไม่ขนองไม่เป็นที่น่ารังเกยียจว่าด้วยผู้มีวาจาส่อเสียดคําว่าและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดอธิบายว่าคําว่าความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด อธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาสออเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกคนข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไปบอกคนข้างนี้เพื่อทาลายคนหมู่โน้นด้วยวิธีนี้ก็ทำคนที่สมัคคีให้แตกแยกหรือสนับสนุนผู้ที่แตกแยกกันแล้วชอบการแบ่งพวกแบ่งเรายินดีการแบ่งพวกแบ่งเรา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 ตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วผู้นั้นชื่อว่าไม่ประกอบคือไม่เกี่ยวข้องไม่ขนไควไม่พัวพันในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดรวมความว่าและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า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 บุคคลผู้ไม่ยินดีในสิ่งน่ายินดีไม่ประกอบในความดูหมิน่นละเอียดอ่อนมีปฏิพานไม่ต้องเชื่อใครและไม่ต้องคลายาำนัดว่าด้วยกลามคุณห้าคำว่าไม่ยินดีในสิ่งน่ายินดีอธิบายว่ากลามคุณห้าตรัสเรียกว่าสิ่งน่ายินดีเพราะเหตุใรกลามคุณห้าจึงตรัสเรียกว่าสิ่งน่ายินดี เพราะโดยส่วนมากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกรามคุณห้าเพราะเหตุนั้นกามคุณห้าจึงตรสเรียกว่าสิ่งน่ายินดีสิ่งที่น่ายินดีคือตัญหานี้ชนเหล่าใดยังละไม่ได้รูปปัญหาก็าย่อมไหลหลังไหลซ่านไปเป็นไปทางตาของชนเหล่านั้น สัทตันหาย่อมไหลทางหูคันธันหาย่อมไหลทางจมูกรสตันหาย่อมไหลทางลิ้นโพธะพะตันหาย่อมไหลทางกายธ ร, รมมะตันหาก็ย่อมไหลหลังไหลซานไปเป็นไปทางมนโนวิ ญ, ญญาณของชนเหล่านั้นสิ่งน่ายินดีคือตันหานี้ชนเหล่าใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเฮอยานแล้วรูปปัญหาย่อมไม่ไหลไม่ลังไหลไม่ซ่านไปไม่เป็นไปทางตาของชนเหล่านั้นสัตตัญหาย่อมไม่ไหลทางหูคันทัตัญหาย่อมไม่ไหลทางจมูกรัศฐปัญหาย่อมไม่ไหลทางลิ้นโพธะพะปัญหาย่อมไม่ไหลทางกาย ธรรมตันหาย่อมไม่ไหลไม่หลังไหลไม่ซ้านไปไม่เป็นไปทางโนวิญญาณของชนเหล่านั้นรวมความว่าไม่ยินดีในสิ่งน่ายินดีว่าด้วยความดูหมิน่นคำว่าไม่ประกอบในความดูหมิน่นอธิบายว่าความดูหมิ่นเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นผู้อื่นเพราะชาติบ้างเพราะโคตรบ้าง เพราะเรื่องอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเหอเหิมความที่ต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเห็นปานนี้นิตรัสเรียกว่าความดูหมิ่นความดูหมิ่นนั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้ว ระ ง, งับได้แล้วถ้าไม่เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นชื่อว่าไม่ประกอบคือไม่เกี่ยวข้องไม่ขนควายไม่ปัวพันในความดูหมิน่นรวมความว่าไม่ประกอบในความดูหมิน่นพิว่าละเอียดอ่อนมีปฏิพานอธิบายว่าชื่อว่าละเอียดอ่อนเพราะประกอบด้วยกายกรรมอันละเอียดอ่อน วจีกรรมอันละเอียดอ่อนมโนกรรมอันละเอียดอ่อนสติปทานอันละเอียดอ่อนสามมาปทาน on, อันละเอียดอ่อนอิทิบาท on, อันละเอียดอ่อนอินทรียอันละเอียดอ่อนพละอันละเอียดอ่อนโพชงอันละเอียดอ่อนชื่อว่าละเอียดอ่อนเพราะประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8อันละเอียดอ่อนว่าด้วยผู้มีปฏิพานธสามจำพวก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 เวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละญาณความรู้ของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยการเล่าเรียนบุคคลนี้ชื่อว่าผู้มีปฏิพานเพราะปริยัติบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริปุชาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในศาสนานี้เป็นผู้ไต่สวนในประโยชน์ของตน ในความหมายที่ควรรู้ในลักษณะในเหตุในฐานะและอาฐานะยานองเขาย่อมแจ่มแจ้งเพราะการไต่สวนนั้นบุคคลนี้ชื่อว่าผู้มีปฏิพานเพราะปริปุชาบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะอธิคมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในศาสนานี้ได้บรรลุสติปฐาน 4, สี่ชั่มมปทานสี่อิทิบาสีอินทรี่ห้า พระห้าผู้ชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคสี่สามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกบุคคลนั้นรู้เหตุรู้ผลรู้นิรุตติเมื่อรู้เหตุเหตุก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้ผลผลก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตตินิรุตติก็แจ่มแจ้งญาณในเหตุผลและนิรุตติทั้งสามเหล่านี้ชื่อว่า ปฏิพานปฏิสัมพิธาผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมด้วยปฏิพานปฏิสัมพิธานี้บุคคลนั้นตรัดเรียกว่าผู้มีปฏิพานผู้ใดไม่มีปริยัตไม่มีปริปุชาไม่มีอธิ ค, คมยานอะไรเล่า จ, จับแจมแจ้งแกเขาได้ รวมความว่าละเอียดอ่อนมีปฏิพานว่าด้วยรู้ทำแล้วไม่ต้องเชื่อใครอีกคําว่าไม่ต้องเชื่อใครในคําว่าไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องคลายกำหนัดอธิบายว่าทำที่ตนรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วบุคคลไม่ต้องเชื่อใครใอื่นไม่ว่าจะเป็นสมณนะพรามเทวดามารหรือพรมก็ตาม เคยทำที่ตนรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงบุคคลนั้นไม่ต้องเชื่อใครๆอื่นไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารหรือพรมก็ตามเคยทำที่ตนรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี เพราะอาวิชาดับสังขารจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับนี้ทุกนี้ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเหล่านี้อาสวะนิโรธคามิหนีปฏิปาทาทำเหล่านี้ควรรู้แจ้งทำเหล่านี้ควรทําให้แจ้งเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งภาษายตนะหกเหตุเกิดเหตุดับ คุณโทษและการสลัดออกแห่งอุปทานขันห้าเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งมหาภูตรูปสี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วน ม, มีความดับไปเป็นธรรมดาบุคคลนั้นไม่ต้องเชื่อใครๆอื่นไม่ว่าจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดามารหรือพรหมก็ตาม สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเธอเชื่อไหมว่าสตินีที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะธรรมเป็นที่สุดวิริยิีสตินีสมาธินีปัญญินีที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมอย่างลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะธรรมเป็นที่สุดท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในข้อนี้ข้าพระองค์ไม่จำต้องดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเลยว่าสัตตินีวิริยินีสตินสีสมาตินีปัญญี ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมอยังลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะธรรมเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมิได้ทําให้แจ้งมิได้สัมผัส ด, ด้วยปัญญาแล้วชนเหล่านั้นพึงต้องถึงความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่าสัตธินสีปัญญีสี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 สตินสีเวริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่มอมยังลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะธรรมเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสาเรบุตรพ่อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ได้ทำให้แจ้ง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 พานและปุตุชนทั้งหมดย่อมกำหนัดพระเสขะเจ็ดจำพวกรวมทั้งกาลยานปุตุชนย่อมคลายกำหนัดพระอระหันย่อมไม่กำหนัดจึงไม่ต้องคลายกำหนัดพระอระหันชื่อว่าผู้งดเว้นเพราะหมดสิ้นราคะแล้วเพราะหมดสิ้นโทสะแล้วเพราะหมดสิ้นโมหะแล้วท่านอยู่ในอริยวัฒธรรมแล้วพระพิทจรณะธรรมแล้ว พระอระหันต์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าไม่ต้องเชื่อใครและไม่ต้องคลายกำหนัดโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลผู้ไม่ยินดีในสิ่งน่ายินดีไม่ประกอบในความดูหมิน่นละเอียดอ่อนมีปฏิพานไม่ต้องเชื่อใครและไม่ต้องคลายกำหนัด